หมวดที่ 2. ภิกุทุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. มีศีลระวิบัติในอธิสีน 2. มีอาจาระวิบัติในอัตชาจาร์ 3. ม, มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษสุทั้งหลายสง เมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยศกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แล